ท่านสาวุตชนทั้งหลายอาทิตย์นี้อาตมาจะได้นําคำภีร์ในทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญอีกคำพีหนึ่งมาบรรยายให้ท่านสาวุชนทั้งหลายได้ทราบได้เกริ่นให้ท่านทลายได้ทราบเพื่ออาทิตย์ก่อนว่าเมื่อได้บรรยายคำพีมหาปัฐาน เกี่ยวกับปัจจัยย4สี่โดยสังเกตจบลงแล้วจะได้นำคำพีวิสุทธิมัตสมาบรรยายให้เป็นประโยชน์แก่ท่านสาุชนที่ได้สละเวลามาในวันนี้เรื่องการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าพระพุทธศาสนาเรามีหลักคำกว้างขวางมาก การที่เราจะวินิจฉัยหลักธรรมทางศาสนาเองก็ยังจะต้องอาศัยการค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจหลายแง่หลา ย, า ย, ลายมุมด้วยกันเป็นธรรมะที่จะต้องวินิจฉัยด้วยความสุขุมรอบคอบเพราการตัดสินธรรมวินัยนั้นไม่ใช่ว่าเราจะตัดสินกันได้ง่ายๆตามความรู้สึกนึกคิดหรือตามความเข้าใจของเราเอง เรื่องนี้ได้ปรารลกกันอยู่ในปัจจุบันนี้ว่ามีผู้ใดบ้างที่จะอวดอ้างว่าเป็นปราชหรือเป็นบัณฑิต ร, รอบรู้ในพุทธศาสนาในยุค ป, ปัจจุบันนี้ว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่รอบรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาทุกๆด้านทั้งในด้านประยัตในด้านปฏิบัติและด้านปฏิเวทเราหาผู้ที่เป็นปราช จะรอบรู้ธรรมวินัยทั้งหมดทั้งสามปิดกนี้ในปัจจุบันหาได้ยากอย่างยิ่งในสมัยหลังจากพุทธการล่วงเลยมาชั่วระยะหนึ่งในชมพูทวีปที่เป็นประเทศอินเดียปาจีสถานเนปาลในปัจจุบันนี้ยังอุดมไปด้วยบัณฑิตหรือนักปราชญ์ทางศาสนาอยู่มาก ก็ในสมัยนั้นยังมีพระอาหารหันต์ีนาศพผู้สิ้นอาสว่างกิเลสแล้วและเป็นผู้ที่แตกฐานในปริยะติธรรมก็ยังมีเหลืออยู่บางยุคในชมพูทวีปมีนักปราชญ์เกิดมากซึ่งเราเรียกกันว่ายุคนั้นเป็นยุคลองของบัณฑิตที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มากชาวโลกทั้งหลายก็ได้รับประโยชน์จากบัณฑิตที่มาเกิดในโลกนี้มากๆต่อ็ทายุคใด เรามีบัณฑิตเกิดขึ้นมากยุคนั้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นทางจิตใจมากระดับศิลธรรมนี้ก็ดีขึ้นถ้ายุคใดคนทานเกิดมากยุคนั้นก็เป็นยุคแห่งความมืดมนและเป็นความเดือดร้อนในสังคมมนุษย์ภายหลังจากที่พระพุทธศาสนาเราได้ล่วงเลยมาแล้วประมาณ 2,500 ปีเศษถึงปัจจุบันนี้ เราศึกษาได้จากประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาว่าบางยุคบางสมัยเราก็มีบัณฑิตเกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ความมั่นคงของพุทธศาสนาและมุ่งที่จะคำลุบบำรุงเผยแพร่หลักธรรมนให้กว้างขวางออกไปบางยุคบางสมัยเราก็จะพบว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี่เองเป็นผู้ทาลายพุทธศาสานาของตน โดยมุ่งเห็นแต่ลาบสการะลาบยศสระเสริญมุ่งเข้ามาสู่สาศาสนาเพื่อลาบสการะแก่ตนยุคนั้นถือว่าเป็นยุคเสื่อมของพระพุทธศาสนาและยุคเสื่อมอันนี้ก็ได้เคยเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนามาตามลาดับบางยุคบางสมัยซึ่งแทบจะสูญสิ้นไปจากโลกก็มีบางสมัยนักปราชญ์ก็มีอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นสลับกันไปอยู่อย่างนี้ โดยเฉพาะในยุคหลังจากที่พระโมคคัลลิบุตรติตเสถรเจ้าท่านได้ส่งพระสงค์ไปประกาศพระพุทธศาสน า, าอย่างนานาประเทศตามสายต่างๆถึงเ้าสายด้วยกันพระสงฆ์ที่ส่งไปนั้นเป็นพระาอารหันต์ตีนาศกมีสายหนึ่งซึ่งนำพระพุทธศาสน า, ามาสู่ในดินแดนสุวรรณภูมิคือที่เป็นแหลมอิโนโดจีนทั้งหมดในปัจจุบันเนียรวมทั้งมาเลเซียประเทศไทย พม่าลาวเขมรเวียดนามซึ่งในแหลมอินโดจีนนี้พระอรหันตถีนาศพชุดที่พระโมคคิลีบุตรติสเถระได้ส่งมาโดยการสนับสนุนของพระเจ้าอโกมหาราชได้นำพุทธศาสนานี้มาประดิษฐานไว้ผลงานจากการเผยแพร่ครั้งนั้นก็ทำให้พุทธศาสนานี้มารุ่งเรืองในประเทศไทยเราจนกระทั่งตราเข้าถึงปัจจุบัน ซึ่งเราก็ถือว่าอันนี้เป็นผลจากที่พระอรหันต์ทั้งสองรูปซึ่งเป็นหัวหน้าคณะมีชื่อปรากฏอยู่ในโปรติสัตคือท่านกระโสนะกับท่านอุตรรสพร้อมด้วยคณะของท่านเป็นผู้ที่ได้ป่าฟันคลื่นลมนำพุทธศาสนาเนี่ยมาปฏิสฐานไว้ในชมพูทวีอาในสวรณภูมิซึ่งครั้งนั้นการสผยแพร่ก็ต้องเดินทางมาทางเรือสมเผา การติดต่อค้าขายกันทางเรือสเพานั้นเรามีมานานแล้วหลายพันปีการนําพุทธศาสนามานั้นนะลำบากยากเห็นมากเพราะว่ากว่าเรือสําเภาจะวิ่งจากประเทศอินเดียมาถึงสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้เมืองท่าก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นชายทะเลเซึ่งครั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางด้วยความสะดวกสบายมาลําบากมาก แต่ด้วยจิตที่มุ่งสงเคราะห์ต่อเวนยสัตว์เป็นที่ตั้งของพระอรหันต์ท่านจึงได้นำพุทธศาสนามาได้หลังจากนั้นมาแล้วเราก็ไม่ปรากฏหลักฐานอันมั่นคงเลยว่าได้มีขบวนการเผยแพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นอีกหรือไม่และโดยการดำเนินการของใครซึ่งเป็นองคุปธรรมอันสาคัญไม่เคยมีปรากฏมาเลย มีปรากฏในพระพุทธศาสนาหลังจากพุทธปรินิพาน์ไปเราศึกษาดูได้ว่า 2,510 ปีมีเผยแรขงข้างสำคัญเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชหลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพาน์ไป230ปีแล้วจากนั้นมาเราก็ไม่ได้ทำกันฉะนั้นพระพุทธศา ส, าสนานี้จึงอยู่ตามยถากรรม การติดต่อประสานงานกันระหว่างพระสงฆ์ที่เผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นก็ไม่มีตัดขาดลงตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั้นความเสื่อมจึงเกิดขึ้นมาโดยตลอดความเสื่อมในที่นี้ก็คือความเสื่อมในวงการของพระสงฆ์ซึ่งมีการแตกแยกออกไปเป็นสองนิกายเป็นฝ่ายเทราว่ากับฝ่ายมหายาน เทราวาดก็เสื่อมมหายานก็รุ่งเรืองขึ้นในชมพูทวีปจนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นรูปของมหาวิทยาลัยขึ้นที่เราเรียกว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งชื่อนี้นักศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วโลกย่อมรู้จักต่อปัจจุบันนี้ซากประหัดพังของนาลันทายังมีเหลือไว้เป็นปรวัติศาสตร์แม้ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลอินเดียจะฟื้นฟู มหาวิทยาลัยนารันพานี้ขึ้นก็ยังหาได้กระตืนขึ้นมาไม่ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่ยอยดเยี่ยมเต็มทีซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาที่เป็นสัจธรรมล้วนๆนั้นได้เสื่อมมาตามลำดับแต่เป็นที่น่ายินดีว่าในครั้งที่พระโมคคัลีบุตริสเถระเจ้าเผยแผ่นั้นสัจธรรมได้ไปตกอยู่ที่เกาะลังกาที่เป็นประเทศลังกาในปัจจุบันนี้ โดยการนำของพระมหินเถระซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอาโศกมหาราชเองและนางสังคบิตตาเถรีซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชทั้งสองพระองค์นี้ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาสพระโมคคิลีบุตริสเถระนั้นพระมหินเถระนั้นท่านบวชเป็นพระภิกษุส่วนพระนางสังคมิตตานั้นท่านบวชเป็นนางภิกษุณี ฉะนั้นทั้งสองพี่น้องนี่แหละได้นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในเกาะลังกาจนกระทั่งได้จารึกคำสอนไว้เป็นลายลักษณอักษรในใบลานแต่ครั้งนั้นได้จารึกไว้เป็นภาษาสิงหผลล้วนในสมัยแผ่นดินของพระเจ้ามหานามก็มีการศึกษาเกี่ยวกับคำพีนี้อย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาที่ไปตกอยู่ในเกาะลังกานี้นับว่า มีบทบาทสําคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเรามาตราบเท่าถึงปัจจุบันที่ได้กล่าวท้าความถึงประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็เพื่อที่จะพูดถึงประวัติของพระคำภีวิสุทธิมรรคเพราะว่าคำภีนี้มีอายุเก่าแก่มาพันกว่าปีแล้วท่านผู้ที่รจนาคำภีนี้ขึ้ น, ค, นคือท่านพุทธโฆสาจารย์รจนาเมื่อปีพุทธศักราช เก้ายห้าสิบกปีคือภายหลังจากที่พระพุทธองค์ได้นิพพานไปเก้าร้อยกับห้าสิบหกปีคำพีนี้จึงเกิดขึ้นและเหตุที่เกิดคำพิีพระวิสุทธิทมัชฌนี้ขึ้นก็เนื่องมาจากความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในชมปูทวีปเพราะในชมปูทวีปครั้งนั้นคำพิีรที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีขาดสนในเรื่องคำพิีมาก แม้ว่าพระอาหารหันต์จะมีอยู่ในสมัยนั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนประยติศาสนาเนี่ให้ครบถ้วนได้เพราะว่าในสมัยนั้นมีไม่ครบประกอบกับในยุคนั้นท่านพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเปลืองศาสตมาก ศึกษาจนกระทั่งคมภีร์ในพพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีจะเรียนแล้วอุปัชัยยะก็บอกว่าหมดแล้วไม่มีเรียนแล้วถ้าอยากจะเรียนต่อก็ต้องไปแปลในชมในลังกาทวีปโน้นซึ่งยังมีเป็นภาษาสิงห์ผลอยู่มีคมภีอัตกระถาอยู่ท่านพุทธโภสาจารย์ก็ต้องเดินทางไปแปลคำภีร์นี้เออซึ่งประวัติของท่านพุทธโภสาอาจารย์นี้เป็นประวัติที่น่าศึกษาอยู่ เพราะว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาจริงๆความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เรายังมีอยู่ครบถ้วนทั้งในด้านคำทีพระไตรปิฎกและอัตกถานนั้นเป็นผลิตผลของท่านพุทธโฆสาจารย์องค์เนี้ที่ได้ทำงานไว้เป็นเวลาถึงหนึ่งันกว่าปีประวัติของท่านผู้นี้เดิมก็ ทางตำนานทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้กล่าวเท้าความถึงตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาเกิดในมนุษย์โลกนี้คือครั้งนั้นมีสรทเถระรูปหนึ่งเป็นพระอรหันตขีนาศสรทเถระรูปนี้เป็นเพื่อน ก, นกันกับปุโรหิตของพระราชาคือเกศีพราม เกษีพราหมณ์นี่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ ก, กับพุทธคยาในครั้งกั้นเ้าเรียกว่ามัชชิมประเทศอยู่ที่มัชชิมะประเทศใกล้กับพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีหมู่บ้านอยู่หมู่หนึ่งเรียกว่าบ้านโคสะามบ้านโคสะคำเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่ปุโรหิตนั้นอยู่ในหมู่บ้านนี้มีพระเถระมีสมณ์ใกล้ๆอยู่กับบ้านของปุโรหิต ชือท่านธรรมโกษาจาร์ท่านธรรมโกษาจาร์นี่เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันตขีนาศบในทางตำนานกล่าวว่าเป็นเพื่อนกันกันกบเกสีพราหมเอ่อเกสีพราหมนี่มีพัญญาชื่อเกษณีพราหมณ์พัญญาชื่อเกษณีเกษณีก็ผู้ที่มีผมงามเป็นพัญญาของเกสีพราหม์ทั้งสองพัน ญ, ญานี่ก็อยู่เป็นปกติสุขมาโดยตลอดไม่มีบุญ ด้วยความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในชมพูทวีป พ, พระอระหันต์รูปนี้คือพระธรรมโกสอาจารย์เนี่ยท่านเล็งเห็นถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแต่ว่าท่านไม่มีหนทางที่จะกระทำได้เพราะว่าปริยะติศาสนาที่เป็นคำสอนนั้นมีไม่ครบแต่ยังมีอยู่ก็อยู่ในลังกาทวีปเป็นภาษาสิงหผล ไม่ใช่เป็นมักคุศภาษาเป็นสิงหผลภาษาครั้นจะส่งพระสงฆ์ในสมัยนั้นไปก็หาตัวไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปแปลสิงหผลภาษาเนี่ยลงสู่มักขุศภาษาได้ก็หมดพ้นทางมองดูไแลในชมช ม, ชมพูทวีปเนี่ยไม่มีแต่ท่านได้อภิน ญ, ญาท่านสามารถเล็งเห็นว่ามีเทวบุตรอยู่ตนหนึ่งซึ่งอบรมบา ร, รมีธรรมมาก และเทวบุตรตนนี้ได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตคือโคสัเทวบุตรเพราะฉะนั้นท่านจึงทำอภินยาขึ้นไปเฝ้าพระอมรินทราธิราชคือพระอิน์ไปขอไปเล่าความเรื่องนี้ให้ฟังว่าในชมถูปูทวีปเนี่ยปัจจุบันนี้ขาดบัณฑิตขาดนักปราชญที่จะช่วยแปลคำพีทางพุทธศาสนามาสู่ภาษามาคตได้ฉะนั้น อาตมาเห็นว่าโคสเทวบุตรนี้เท่านั้นที่สามารถจะแปลคำภีนี้ได้สำเร็จและก็สามารถที่จะช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาเนี่ยให้มั่นคงได้จึงขึ้นมาอาราธนาให้ไปเกิดในมนุษย์โลกครั้งนั้น ท, ท้าวอมรินทราธิราชก็ตอบกับพระเถระว่าข้าแต่พะระเถระผู้เจริญไม่เป็นไรดอก โยมจกไปช่วยอาราธนาให้แล้วท้าออมรินธาธิราชก็ไปอาราธนาเทวบุตรบอกขอให้ท่านจงมาเกิดในมนุสโลกนี้เถอะเพื่อจะได้มาช่วยงานของศาสนาตามที่พระเถระท่านขึ้นไปอาราธนาโคสัตเทวบุตรก็ตอบท้าออมรินธาธิราชว่าตัวเองนะไม่ประสงค์จะมาเกิดในมนุสโลกนี้หรอก เพราะว่าในมนุษย์โลกนี่ยเต็มด้วยความทุกข์เต็มด้วยความความสะอื้นอาลัยมีทุกข์มากเหลือเกินไม่อยากจะเกิดอยากจะเกิดชั้นสู ง, สงขึ้นไปอีกแต่ท้าวอมรินทราธิราชก็ได้อ่อนวอนว่าเรานะ่ะอย่าได้ปลารอบถึงทุกข์เลยแม้จะทุกข์ตะเพียงใดก็ขอให้อดทนเอาเถอะขอจงเห็นแก่ศาสนาเพราะว่าศาสนานั้นย่อมสําคัญกว่า ที่จะช่วยสันติสัตย์ทั้งหลายเนี่ยให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นก็จงอย่าได้คำนึงถึงเรื่องของความทุกข์ขอให้มาช่วยเกิดและก็ช่วยงานของศาสนาผลสุดท้ายโคสัเทวบุตรก็รับอารัธนาบอกจากนี้ไปอีกเจ็วันก็จะมาถือการปฏิสมทิในคันของนางเกษีพรามณีครั้งนั้นพระเถระก็ดีใจทาอภิ ญ, ญากลับมาสู่โลกมนุษย์รุ่งขึ้นก็ออกบินทบา ท, ทันที ตรงไปสู่บ้านของเกสีพรามเกสีพรามก็รัศนาให้นั่งเตรียมอาหารถวายอาหาระบินทบาตพระเถระก็ได้ดพูดกับเกสีพรามว่าจากนี้ไปอีกเจ็ดวันขอให้ท่านจงได้ปกครองรักษาดูแลเกสีพรามณีเนี่ยให้ดีนะอย่าประมาท รามก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเถระถึงได้พูดอย่างนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือพระเถระก็จะเจริญพรว่าจะมีเทวบุตรเนี่ยมาถือการปฏิสนธิในครันเพราะฉะนั้นนางเกษีพรามนางเกษนีพรามณีนี้เธอจะตั้งครันแล้วจากนี้ไปอีกเจ็ดวันเมื่อตั้งครันแล้วขอจงได้รักษาคันเนี่ยให้ดีเพราะว่าทารกที่มาเกิดเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญามากเหลือเกิน ขอให้ท่านจงช่วยประคับประคองเด็กคนนี้ไว้ให้ดเีเมื่อพระเทราพูดเช่นนั้นแล้วก็กลับลากลับวัดจากนั้นมาอีกเจ็ดวันนางเกสินีพรามณีก็ตั้งคันโคศเทวบุตรได้มาถือการปฏิสมธิในคันแล้วพอครบกำหนดคลอดวันคลอดพวกทากกรมรมกรทั้งหลายต่างก็ดีใจว่าเราจะได้ เจ้านายใหม่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วพวกวานายของเราทั้งสองนี้ตั้งแต่อยู่กินกันมาก็ไม่เคยมีบุตรเลยเพิ่งจะมีบุตรคนนี้แหละเป็นคนแรกวันที่คลอดท่านพุทธโคสะนั้นทาสกรรมกรทั้งหลายเปล่งเสียงเชยโยกันลั่นไปหมดโดยเสียงกระทึกเนี่ยด้วยความดีใจเพราะฉะนั้นท่านปุโรหิต จ, จึงได้ตั้งชื่อให้ว่าพุทธโคชื่อว่าโกสา โ, โคสาโคสากุมารหรือโคสักุมารเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็เติมเป็นว่าพุทธโคสาหรือพุทธโคสะตามที่พระอุปัชฌายะได้ตั้งให้เมื่อโคสักเทวบุตรนี้มาเกิดโคสากุมารเกิดขึ้นไม่นานอายุเจ็ดขวบก็เรียนหนังสือปรากฏว่าไตรเพศเรียนจบหมดเรียนไตรเพศจบแปดชันในไตรเพศ สามารถสอนไตรเทศได้ทุกๆวันจะตามบิดาเนี่ยเข้าไปสู่พระราชวังซึ่งเกสีพราหมณ์มีหน้าที่สอนไตรเทศแ ก, ก่กษัตริย์โคสัคุมาร น, นี่ก็ติดตามบิดาไปด้วยไปฟังสอนด้วยถืออาสนะตามหลังบิดาไปเช่นนี้ทุกวันวันหนึ่งเกสีพราหมณ์ได้สอนไตรเทศ แต่ว่าได้ติดขัดอยู่บทหนึง่งไม่สามารถที่จะโคบได้แตกก็คลุ้มใหญ่กลับมาบ้านกับค้นคว้าเท่าไรเท่าไร่ก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทมนทางไตรเพศบทนี้ผลสุดท้ายโคสักุมานแกเข้าใจก็เขียนอธิบายไว้ให้โดยไม่ไม่บอกกับพ่อตรงๆแล้วว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรเขียนคําอธิบายไปให้ พ่อตื่นขึ้นมาเห็นเข้าก็เข้าใจปลอดโปร่งก็ถามว่าใครเป็นคนเขียนก็ปรากฏว่าโคสะกุมารบุตรชายของตนเองเป็นผู้เขียนบิดาก็ดีใจว่าเออลูกของเรานี่เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากเหลือเกินก็ดีใจมากพาลูกเนี่ไปเฝ้าพระราชาพระราชาได้เห็นลักษณะและความฉเฉลียวฉลาดของโคสะกุมารก็มีเมตตา ม, มากขอให้โคสกุมารเนี่ยเป็นลูก โดยตนเองนั้นขออาวตารนาตัวเป็นพ่อโสคสะกุมาร น, นี้โดยจะอุปถัมภ์บำรุงทุกอย่างดูต่อมาเมื่อโสคสะกุมารเจริญวัยขึ้นเป็นหนุกความแตกฉานเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์คาถาเนี่ยก็มีมากจนกระทั่งไปสู่สมณ์นักไหนถามมนต์หมดใดเจ้าสมณ์นักทั้งหลายไม่สามารถจะตอบได้วันหนึ่งท่านธรรมโคสาจารย์ก็พิจารณาเห็นแล้วว่า ถึงเวลาอันควรแล้วที่จะให้โกสะกุมาร น, นี้ได้ช่วยงานศาสนาวันนั้นก็ถือบาตเดินทางไปบ้านเกสีพรามณ์พอไปถึงบ้านเกสีพราหม์ก็ขึ้นไปนั่งบนอาสนะของโกสะกุมาร น, นี้โคสะกุมารเองนะเป็นคนพนงตนมากว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากไม่มีใครสามารถที่จะมีความรู้เท่าตนได้ เมื่อมาเห็นพระเถระนั่งบนอาสนะของตนก็รู้สึกโกรธมากเอว่าสมณะรูปนี้อวดดีอย่างไรมันนั่งอาสนะของเราเนี่ยอยากนั้นเลยเราจะไล่มนพระเถระรูปนี้ให้จนก็ถามถึงเรื่องไตรเพศร่ายพตันชริว่าเนี่ยหมายความว่าอย่างไรพระเถระก็ตอบได้ ฉ, ะฉะับฉานจนกระทั่งจบไตรเพศเมื่อจบไตรเพศเช่นนั้นโอสะกุมารก็ยอม พระเถระก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะให้พุทธมนตรให้ท่านฟังพระเถระก็ได้กล่าวถึงคำทีอภิธรรมปิดกเริ่มตั้งแต่ปุสลาธรรมาปุสลาธรรมาอภิยากตาธรรมาเนี่ยเป็นต้นไปโคสักุมารฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเอ๊นี่เป็นมนอะไรนะฟังแล้วไม่รู้เรื่องพระเถระก็บอกว่านี่คือพุทธมนตรถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องท่านจะต้องศึกษาโคสักุมารขอศึกษาทันที แต่ท่านธรรมโกษาจารย์ท่านฉลาดท่านบอกว่าเราจะบอกคนบทนี้แก่ท่านก็ต่อเมื่อเราได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วเท่านั้นนหะถึงจะสอนให้ถ้าไม่บวชเป็นพระไม่สอนให้หรอกเป็นครวา่าเรียนไม่ได้โคษาภมารยอมบวชพอบวชท่านก็สอนให้สอนคัมภีร์ที่ธรรมปิดกเี่จนจบระหว่างที่ท่านศึกษาอยู่ในสมกของท่านธรรมโกษาจารย์ซึ่งเป็นอุปัชา ь ะนี้ ปรากฏว่าท่านธธสุตโขสัจจา์เองก็สามารถแต่งตำราขึ้นได้สองเล่มด้วยกันเล่มหนึ่งคือคำภีร์ยาโนไทยเล่มที่สองคืออัศสารีนีซึ่งเป็นอัตกราอธิบายความในธรรมสังคณีประกรณในส่วนอภิธรรมอิดกท่านได้เขียนคำพี์อธิบายพุทธพจน์เนี่ยขึ้นไว้สองคำพีก็จบไม่สามารถจะเรียนต่อได้อาจารย์ก็บอกว่าต้องไปชำระ แปลคำพีอัตกรถาและบาลีซึ่งเป็นสิงหผลภาษาเนี่ยสู่มรคผตภาษาในลังกาสวีปเราจะต้องไปแปลให้สมเหตเมื่อเป็นคำสั่งของอุปชาเช่นนั้นท่านก็ต้องไปทางท่างที่ท่านเนี่ยก็เป็นห่วงโยมว่าโยมของท่านเนี่ยยังนับถือรัฐีตามอยู่จะโปรดโยมอย่างไรให้นับถือพระพุทธศาสนาและได้บรรลุมรคผล ก็ขอปรึกับษาอาจารย์ว่าขอให้ได้โปรดโยมทั้งสองเสียก่อนแล้วจึงจะเดินทางได้ไหมอุปชาบอนุ ญ, ญาต่อน่อนสารให้บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็รีบกลับบ้านไปโปรดโยมเสียก่อนท่านก็เดินทางไปบ้านท่านไปโปรดโยมโยมน่ะไม่ฟังนะ่ะไม่ยอมฟังเพรา ถ, ถือว่าเป็นพระลูกชายจะามาสอนอะไรไม่เรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อไม่เรื่อมใสเช่นนั้นท่านก็ไม่มีเวลาที่จะ พระาราบพรลมโยมของท่านทั้งสองเนี่ยให้เกิดความเลื่อมใสได้มีอยู่ทางเดียวท่านน่าจับโยมขังที่ในห้องให้จับโยมขังปิดประตูแล้วก็สอนมนุ์อยู่ข้างนอกถ้าหากว่าโยมไม่ตั้งใจฟังก็ไม่เปิดอ่ะไม่เปิดประตูจับขังอยู่ในห้องอย่างนั้นนะบอกจะไม่ให้ข้าวกินด้วยถ้าหากว่าไม่ฟังพอสุดท้ายโยมต้องฟังพอฟังท่านก็เทศจนกระทั่งโยมได้บรรลุปเป็นโสดาบัน ท่านจึงเปิดประตูให้โยมเนี่ยเป็นวิธีที่ท่านไปโปรดโยมของท่านแทนที่จะให้โยมมานั่งฟังเทศจับโยมขังห้องแล้วก็เทศนาโปรดโยมเจอแต่ท่านได้บรรลุมรรคผลพอโปรดโยมเสร็จท่านก็เตรียมตัวเดินทางไปยังลังกาทวีตเมื่อไปถึงลังกาแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยอในคมที่ท่านกล่าวาไว้สนุกมากต่สมัยนั้นเดินทางโดยเรือสมเพลื มีเกร็ดอะไรแทรกเยอะแยะอาตมาคิดว่าไว้ตอนศึกษาคัมภีร์นี้จบค่อยเล่าละเอียดเป็ครั้งหนึ่งวันนี้เล่าอยางหยาบไปก่อนเพราะท่านเดินทางไปถึงเกาะลังกาเข้าไปสู่สำนักสำนักหนึ่งเรียกว่าสำนักมหาวิหารสำนักวิหามหาวิหารนี่เป็นสำนักที่มีการศึกษาเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้นภายในสำนักนี้มีแต่พระที่คงแก่เรียนทั้งนั้น แต่ฉาในตระไตรปิฎกช่านั้นท่านก็เลือกสนานักเนี่ยเป็นสนานักที่ท่านจะไปศึกษาและขอแปลคำทีอัตรกรถาบาลีจากสิงห์ผลเป็นมรคภาษาในครั้งนั้นมีพระเถระรูปหนึ่งคือท่านสังคปาระท่านสังคปาระรูปนี้เป็นเป็นพระเถระที่มีคุณธรรมสูงมากเป็นวิพัชวาที แล้วก็ท่านพุทธโฆสท่านยกย่องว่าพระเถระรูปนี้เป็นผู้ที่ประเสริฐเหลือเกินมียศมีความประพฤติสะอาดแต่ความประพฤติสะอาดในหมายถึงว่าเ ค, คร่งครัดขัดเกลามีอาจาระดีประกอบด้วยวินยัยประกอบในทางปฏิบัติแล้วก็มีใจอันประกอบไปด้วยคุณธรรมคือขันติและโสระจักทั้งยังเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นที่ตั้ง มุ่งเห็นความไพยบูรของพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อพบพระเถระที่ประกอบด้วยคุณธรรมอันสูงส่งเช่นนี้ เ, เป็นสังฆปาโมากที่นั่นท่านก็เกิดความเรื่อมใสแล้วก็ปรณนาตัวที่จะทำงานของศาสนาชิ้นเนี้ยให้สำเร็จและท่านก็ร่วมจัดการแปลคำภีอัตกถาแต่สาเหตุที่ท่านต้องเขียนคำภีวิสุทธิมารคนี้ขึ้น ก็เนื่องมาจากพระเถระในครั้งกอนนั้นได้ลองภูมิท่านว่าเอพระสงฆ์หนุ่มรูปเนี้จะมีฝีไม้ฝีมือทางศาสนาแค่ไหนก็จะทดลองดูว่าจะมีความสามารถแค่ไหนจึงได้ตั้งปัญหาขึ้นให้ท่านเขียนรจนาแต่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่พระพุทธองค์เคยตอบแก่เทวบุตรตนหนึ่ง เทวบุตรตนนี้ได้มาทูลถามปัญหากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในคำพีพระสุตตันตปิฎกในคำพีสังยุตติกายสขาทวัตในเทวตาสังยุตในในปัญหาที่เทวบุตรตนนี้มาทูลถามพระพุทธองค์นั้นใจความสั้นๆว่าอันโตชาตารชศิชตาชตายะชติตาประชา ปังตังโพตมะปุชามิโกอิมงังวิชะเยชะตังซึ่งเป็นาภาษาบาลีซึ่งแปลว่าชะตาเนี่ยแปลว่าชัดถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราในปัจจุบันนี้ว่าป่าชา้าชะตาศัพท์เนี่ยแปลว่าป่าช้าก็ได้ชัดซึ่งเป็นป่าเาในคาถาบทนี้แปลว่าชัดภายในชัดภายนอก อันโตชตาพหิตชตาอันโตชตาพู้ชตาเนี่ยแปลว่าชัดภายในชัดภายนอกมูสัตถูกชัดเกี่ยวไว้แล้วค่าแต่พระโโดมผู้จเจริญเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงขอทูลถามว่าใครพึงสามชัดอันนี้ได้คือคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยชัดทั้ง้างในชัดทั้ง้างนอก ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเ้าเรียกว่ารกข้างในรกข้างนอกข้างในก็รกข้างนอกก็รกใครนั้นสามารถที่จะขจัดไอ้ความรกชัดทั้งข้างในข้างนอกของมนุษย์เนี่ยได้พระพุทธองค์จึงตรัสตอบแก่เทวบุตรนั้นว่านโรสปัญโยจิตตังปัญยันจัภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุ โสอิมังวิชะตตเยชะตังซึ่งแปลว่านระก็คือนรชนใดนรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลยังจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเป็นผู้เห็นไทยนั้นพึงสาง รบชัดนี้ได้เนี่ยเป็นคำถามคำตอบระหว่างเทพระบุตรกับพระพุทธองค์เพียงสังส้นๆแค่นี้